ปัญหาที่19พระเจ้ามีลินทรงเลื่อมใสได้ประวรณาพระนาคเสนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาบอบพีททรงทราบว่าเวลานี้เป็นเวลาอะไรแล้วข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมทราบว่าเวลานี้เป็นเวลามัชชิมยามแล้วเพราะคบเพลิงสว่างสวาย ขณะนั้นพวกเจ้าพนัก ง, งานก็ น, นำผ้าห้าพับมาถวายข้าราชการโยนกทั้งหลายก็ทูลขึ้นว่าพระภิกษุองค์นี้ฉลาดมากเป็นบัณฑิตแท้พระเจ้าค่ะพระเจ้ามิลินตรัสตอบว่าถูกแล้วเธอทั้งหลายถ้ามีอาจารย์อย่างนี้มีสิทธิ์อย่างนี้ไม่ช้าก็ต้องรู้ธรรมะได้ดี พระเจ้ามิลินทรงยินดีด้วยการแก้ปัญหาของพระนรักเสนจึงถวายภากกรพลราคาแสนตำลึงแก่พระนาคเสนแล้วตรัสว่าข้าแต่พระนรักเสนจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมจะให้จัดอาหารไว้วันละหนึ่งร้อยแปดสำรับสิ่งใดที่สมควรอันมีในพระราชวังนี้โยมขอเปอาา้าวรนา พระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นอย่าเลยมหาบอพิษอัตมาภาพพอมีชีวิตอยู่ได้ก็แล้วกันพระเจ้ามิดินตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเซนยอมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพอมีชีวิตอยู่ได้ก็แต่ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรักษาตัวของพระผู้เป็นเจ้าและรักษาตัวของโยมไว้ ข้อที่ว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้ารักษาตัวของพระผู้เป็นเจ้าไว้คืออย่าให้มีผู้ติเตียนได้ว่าพระนักเสนทําให้พระเจ้ามิลินทรงเลื่อมใสแล้วก็ไม่ได้อะไรข้อที่ว่าขอให้รักษาตัวโยมไว้นั้นคืออย่างไรคืออย่าให้มีผู้กล่าวได้ว่าพระเจ้ามิลินทรงเลื่อมใสแล้วไม่ได้ทรงแสดงอาการเลื่อมใสแต่อย่างใด พระเถระจึงตอบว่าแล้วแต่พระราชประสงค์พระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพญาราชาสีอันมีบุคคลคังไว้ในกรงทองย่อมหันหน้าไปภายนอกฉันใดโยมถึงจะอยู่ครองบ้านครองเมืองก็หันหน้าไปภายนอกฉันนั้นถ้าโยมออกไปบรรพชาก็จะมีชีวิตอยู่ไม่นานเพราะศัตรูโยมมีมาก แสดงความชื่นชมต่อกันครั้นพระนักเสนเทละแก้ปัญหาพระเจ้ามิลินเสร็จแล้วจึงกลับไปสู่สังคารามเมื่อพระนักเสนกลับไปแล้วไม่ช้าพระเจ้ามิลินก็ทรงคิดดูว่าเราได้ถามเป็นอย่างไรพระผู้เป็นเจ้าแก้เป็นอย่างไรจึงได้ทรงนึกได้ว่าสิ่งทั้งปวงเราก็ถามดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้าก็ได้แก้ดีแล้วฝ่ายพระนาคเสนก็นึกอย่างเดียวกันกับพระเจ้ามิลินเช้าขึ้นจึงได้ครองจีวรสภายบาทเข้าไปที่พระราชนิเวศแล้วนั่งลงบนอาสนะพระเจ้ามิลินกราบไหว้แล้วจึงตรัสขึ้นว่าข้าแต่พระนาคเสนขอพระผู้เป็นเจ้าอยากคิดว่า โยมได้ถามปัญหาพระนาคเสนแล้วพระผู้เป็นเจ้าย่อมให้ราตรีที่ยังเหลืออยู่สิ้นไปด้วยความยินดีนั้นขออย่าเห็นอย่างนั้นโยมได้นึกแล้วอยู่ตลอดราตรีว่าการถามของเราเป็นอย่างไรการแก้ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรก็นึกได้ว่าเราถามดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าแก้ดีแล้ว พระเถระก็ตอบว่าขอถวายพระพรขอมหาบาพิตรอย่าคิดว่าอาตมาภาพได้แก้ปัญหาของพระเจ้ามีลินแล้วมหาบาพิตรย่อมทรงบรรทมหลับตลอดลาตรีที่ยังเหลืออยู่ด้วยความยินดีนั้นขออย่าทรงเห็นอย่างนี้อาตมาภาพได้คิดอยู่ตลอดลาตรีที่ยังเหลืออยู่ว่าพระเจ้ามีลินถามอะไรแล้ว เราได้แก้อะไรแล้วก็นึกได้ว่าพระเจ้ามิลินได้ถามสิ่งทั้งปวงแล้วเราก็ได้แก้สิ่งทั้งปวงแล้วเป็นอันว่าปราดทั้งสองนั้นได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อกันและการอย่างนี้